มีพุท่าวกันนึงเราว่าเมื่อสักหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนเคยเป็นเด็กวัดวัดที่ตัวเองอยู่ก็อยู่แถวยุทธยาเวลาพระฉันอาหารเสร็จน ะ, ะเด็กวัดก็มาล้อมวงกินข้าวแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเกิดกินอาหารมูมามหรือว่าทำข้าวตกเรี้ยรรานหลวงพ่อก็จะ ให้เด็กคนนั้นเนี่ยหยิบข้าวทีละเม็ดไปทิ้งในคลองจากสารลาวว่านี่ไปคลองนี่มันก็ไกลนะร0อเมตรวันทีก็200เมตรข้าวหล่นสิบเมตรยี่สิบเมตรก็ต้องเดินกลับไปกลับมาอาเงี้ยี่สิบครั้งหลวงพ่อต้องบอกว่าเนี่ยไม่ได้ลงโทษนะแต่เป็นการดัดนิสัย กินอย่างมีมารยาทกินยังมีมารยาทคือว่ากินไม่มูมามาลกินแบบระมัดระวังหรือว่ากินอย่างมีสติก็ได้แต่ที่สําคัญคือว่าท่านอยากจะสอนว่าเนี่ยให้นอกจากกินอย่างมีมารยาทแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักคุณค่าของข้าวหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยข้าวที่ชาวบ้านนํามาถวายวัดถวายพระนี่ก็หามาด้วยความเหนื่อยยาก นะกว่าจะได้ข้าวมาทับพีหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นเด็กวัดนะได้อาหารหรือได้ข้าวจากชาวบ้านมาก็ต้องกินอย่างเห็นรู้ค่าเรียกว่ากินให้หมดทุกเม็ดเลยยิ่งดีนะไม่ให้เหลืออันนี้ก็เป็น คำสอนที่สอนกันมานะสมัยอาตมาเป็นเด็กๆเนี่ยก็พ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านก็จะบอกว่าเนี่ยให้กินข้าวอย่าให้เหลือนะยิ่งข้าวทำข้าวตกหล่นด้วยนี่ยิ่งไม่ถูกใหญนะ่ทั้งนี้เพราะว่าข้าวเนี่ยมันกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดนี่มันเหนื่อยยากนะ ชาว บ, บ้านนี่นะปูกข้าวกว่าจะได้ข้าวแต่ละแม่นี่โอ้ยใช้เวลานานตั้งแต่เพาะกล้าเพาะกล้าเสร็จก็ดำนาหรือว่าหวานพอต้นกล้าโตก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้มแมลงศัตรูพืชมากัดกินต้องควบคุมน้ำนะ น้ำน้อยก็ต้องไห้น้ำเข้านานน้ำมาก็ต้องปล่อยเน่าออกมานั่นก็ต้องดูแลข้าวออกรวงแล้วก็ยังต้องเก็บต้องเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องระวังไม่ให้ฝนตกนะมันจะชื้นข้าวเป็นเป็นราโอ เ, เกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องสีข้าวสมัยก่อนไม่มีโรงสีก็ต้องตำข้าวกันเองนะโอ้กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด ดังนคนสมัยก่อนที่เขาจึงเห็นว่าข้าวนี่มันมีคุณค่ามากนะมันต้องอาบเหงื่อตากน้ำจึงจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะแต่ละทัพพีแต่ละจานเพราะในเวลากินเนี่ยก็ต้องกินอย่างรู้ค่าแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าข้าวได้มาด้วยความยากลำบาก น, นะจึงควรจะกินด้วยนะ ความประหยัดอดออมหรือว่าต้องกินให้หมดอาหารบางอย่างเนี่ยมันก็ได้มา ง, ง่ายๆนะแต่ว่าชาวบ้านก็สอนกันมาเรื่อยนะให้ให้กินจนหมดนะอย่าให้เหลืออย่างเช่นปลาเนี่ยนะอย่างในภาคกลางแถวกรุงเทพทนบุรีเนี่ยหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยตามภาคกลางเนี่ยปลานี่มันหาง่ายนะว่ากันว่าเนี่ยอยาก เวลาอยากกินปลานะก็อจุดไฟตั้งเตาไว้ต้มน้ําไว้แล้วก็เข้าไปในคลองหรือแม่น้ําระเดี๋ยวเดียวก็ได้ปลามาแล้วเพราะปลามันเยอะมากนะน้ําก็เดือดพอดีแต่ว่าแม้ว่าปลาจะได้มาง่ายๆนะไม่ว่าโดยการจับโดยการตกหรือว่าโดยการหว่านแหนี่โอ้เขาก็จะกินแบบไม่เหลือเลยนะ ถ้าได้ปลามาเยอะกินไม่หมดก็ไม่ได้ทิ้งเอามาตากเอามาหมักแล้วกินจนกว่ามันจะหมดทั้งทั้งที่อ า, อาหารหรือปลาที่ตากหรือหมักนี่มันอร่อยสู้ปลาสดสดไม่ได้นะถ้าเขาจะทิ้งปลาที่เหลือแล้วไปจับใหม่มันก็ได้ปลาที่มีรสชาติอร่อยกว่าแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่เขาถือว่าเนี่ย อาหาเหล่านี้เนี่ยนะมันมีค่าแม้จะได้มันง่ายๆก็ไม่กินทิ้งกินขว้างกินจนหมดถ้าไม่หมดก็ต้องหมกักต้องอตากเอาไว้หมดเมื่อไหร่ค่อยไปจับมาใหม่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันหายากอย่างเดียวบางอย่างก็หาง่ายแต่ก็กินอย่างประหยัดนะไม่ใช่แต่เฉพาะปลาหรือข้าวนะ น้ำเนี่ยนะที่หามาได้ง่ายๆเนี่ยในภาคกลางนี่น้ำมันหาง่ายน้ำฝนสมัยก่อนนะฝนมันก็ตกต้องตามฤดูกาลน้ำเยอะนะไม่ได้แล้งหรือหายยากอย่างบางแห่งบางที่ในภาคอีสานแต่ว่าเขาก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะน้ำล้างจานก็ดีน้ำซักผ้าก็ดีเหลือแล้วไม่ได้เททิ้งนะเอาไปลดน้ำต้นไม้ หรือว่าไปทาประโยชน์อย่างอื่นอ็ถือว่าธรรมชาตินังเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่เราควรเคารพแม้ว่ามันจะมีเยอะมีมากนะแต่ว่าก็ต้องใช้อย่างรู้ค่าหรือว่าใช้ให้เต็มคุณค่านะไม่ใช่ว่าใช้แบบหรือกินแบบทิ้งทิ้งคว่างควาเ้าคุณจะทำนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยเลือนหายไปนะ เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยข้าวปลาอาหารเราก็ไม่ค่อยกินอย่างลู้ค่าเท่าไหร่เพราะอะไรนะเพราะว่าข้าวนี่มันหาง่ายมันไม่ต้องลงทุนลงแรงปลูกข้าวนะคนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อเอาแค่มีเงินก็ไปซื้อข้าวได้แนละ้วอีกอย่างนึ่งก็ไม่รู้นะว่ากระบวนการผลิตข้าวนี่กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยอมันยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหน แต่สมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้แรงคนเท่าไหร่แล้วมันมีเครื่องจักรนะมันมีปุ๋ยสีนี่ก็ไม่ต้องตำข้าวเองละข้าวโรงสีกระบวนการมันง่ายใช้แรงคนน้อยและยิ่งไม่รู้ว่ากระบวนการมันกว่าจะได้ข้าวหรือได้อาหารมาอย่างไงเนี่ยมันก็ยึ่งไม่เห็นค่าเข้าไปอย่าง ยุคนี้มันเป็นยุคของความอุดมสมบูรณ์นะยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์นี่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาในโลงนี้ก็แค่ไม่เกินร้อยปีนะถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะรุ่นพ่อเนะียรุ่นพ่อของรุ่นพ่ อ, อตัมารหรือว่ารุ่นอัตมาเนี่ยมันเริ่มเป็นยุคของความอุดมสมบูรณ์แต่ก่อนนี่ลําบาก อะไรแล้วก็หายากนม้ แ, แต่ข้าวปาอาหารพออุดมสมบูรณ์เราก็เลยใช้หรือกินบริโภคอย่างไม่รู้ค่ามันก็ทําให้เกิดความเกิด อ, อาการเกิดนิดสัยกินทิ้งกินขวา้างและเดี๋ยวนี้ก็เกิดปัญหาขยะมากมายไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะข้าวของเครื่องใช้ใช้ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทิ้งละ หมดรุ่นหรือว่ามันมีรุ่นใหม่มาแทนก็ทิ้งเป็นปัญหาทุยากแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารนะั่นซึ่งเดี๋ยวนี้มันสูญเปล่าเยอะมากเลยอย่างที่เคยพูดนะว่าเนี่ยอาหารที่ผลิตกันในวันนี้ทุกวันนี้ 40% นี่มันสูญเปล่าถูกปล่อยให้เน่าทิ้งตามไร่นาบ้างหรือว่าถูกทิ้งจากห้างสรรพสินค้าที่เอามาขายแล้วไม่มีคนซื้อ หรือแม้กระทั่งตามบ้านเรือนซื้อของมาเยอะๆใส่ตู้เย็นนานเข้าออไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็ทิ้งแต่ยุอุดมสมบูรณ์นี่ตอนนี้นี่มันทำท่ า, ทาว่าจะอยู่ได้ไม่นานลวนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาธรรมชาติภัยพิบัติมากมายฝนฟ้าไม่ตกตองตามฤดูกาลน้ำก็เริ่มน้อยลงนะแย่งชิงน้ากันมากขึ้นในหลายประเทศในหลายจังหวัดในหลายท้องที่ มีน้ำซ้ำน่ะฝนฟ้ามันก็เริ่มเพียพ้ยนผันผวนพอปรากฏการลกร้อนนั้นต่อไปนี่ข้าไปอาหารก็จะเริ่มน้อยลงนะหาได้ยากขึ้นอันท้าทุกวันนี้เรายังกินแบบกินที่กินขว้างนี่มันก็คงไปไม่รอดนะและที่กินที่กินขว้างนี้ก็ ท, ก ท, กทำให้เกิดปัญหาเบียดเบียนธรรมชาติมากมาอย่างที่ไม่มีคนตันหนัก แม้กระทั่งพลังงานในตอนนี้เราก็เรายังใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยเพราะว่าราคาถูกนะไฟฟ้ามราคาก็ไม่แพงน้ํามันก็ไม่แพงแต่ต่อไปพลังงานมันจะราคาแพงมากขึ้นหายากมากขึ้นเพราะน้ํามันก็ใกล้จะหมดโลกพลังงานจากธรรมชาตินะมันก็ยังยังไม่ได้หาง่ายเหมือนกับน้ํามันหรือว่าราคาถูกแบบน้ํามันฉั้นต่อไปนี้โลกเราก็จะเข้าสู่ยุค ข, ของความฝืดเคือง นั่แทกินแบบกินที่กินขว้างนี่ก็คงไปไม่รอดนะแต่อันนี้เรื่องนี้เนี่ยเด็กเด็กรุ่นนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ต่อไปพอโตขึ้นก็คงจะตระหนักได้ว่าเนี่ยจะทาแบบทุกวันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกเตือนให้ลูกตระหนักด้วยลดน้ำพ่อแม่ตรงท้ายเป็นแบบจางด้วยเพราะบางทีพ่อแม่ก็เพลินไปกับความอามสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้น โดยที่ไม่รู้ว่านี่ยเป็นของโชคคราวเท่านั้นแหละ